เมื่ออาตมาบรรลุธรรมในระหว่างพรรษาที่สอาตมากำลังเร่งความเพียรอยู่ในวัดป่าที่กันดานทางภาคอีสานกลางดึกคืนวันหนึ่งระหว่างการเดินจงกรมที่ยาวนาน จิตของอาตมาแจ่มใสเป็นพิเศษความรู้อันลึกซึ้งไหลริ่นเข้ามาเป็นระลอกระลอกราวกับน้าตกที่ไหลลงมาจากยอดเขาอาตมาสามารถเข้าใจถึงสิ่งลึกลับต่างๆซึ่งไม่เคยเข้าถึงมาก่อนและแล้วสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้บังเกิดขึ้น อาตมารู้สึกอัศจรรย์ใจเกินกว่าจะพรรณนาได้ถึงแล้วนี่แหละความหลุดพ้นความสุขที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่อาตมาไม่เคยผ่านพบมาก่อนปีติสุขเกิดขึ้นอย่างมากพร้อมๆกับความสงบอิเวก อาตมาภาวนาต่อจนดึกดื่นจำวัดเพียงนิดเดียวและยังตื่นก่อนระครังเรียกเข้าศาลาตอนตีสามอีกด้วยโดยปกติแล้วการนั่งสมาธิตั้งแต่ตีสามในป่าซึ่งร้อนและอบอ้าวนี้อาตมามักจะต้องต่อสู้กับความเสื่องซึมและความง่วงเหงาหาวนอนแต่ไม่ใช่วันนั้นอาตมานั่งตัวตรงโดยไม่ต้องบังคับ สติคมชัดราวกับมีดผ่าตัดและสมาธิสามารถรวมได้อย่างง่ายได้การมาลุกธทรรมนี้ช่างวิเศษเสียเหลือเกินและช่างน่าเสียดายนักที่การมาลุกธรรมของอาตมาอยู่ได้ไม่นานที่ปาอีสานในสมัยนั้นอาหารการกินเช่นครั้งหนึ่ง อาหารมื้อเดียวในวันนั้นของเรามีเพียงข้าวเหนียวหนึ่งปั้นโปะหน้าเด็กกบต้มตัวขนาดกลางๆไม่มีผักไม่มีผลไม้มีแต่ข้าวหน้ากบแค่นั้นเองสำหรับทั้งวันอาตมาเริ่มฉันเนื้อตรงคาก่อนแล้วต่อด้วยเครื่องในกบพระที่นั่งข้างๆอาตมาก็เริ่มจับที่อวัยวะของกบ โชคไม่ดีนักที่ท่านไปกดเข้าที่กระเพาะปัสสาวะของกบซึ่งยังมีน้ำอยู่ภายในเจ้ากบมันก็เลยเยี่ยวรถข้าของท่านไปทั่วท่านเลยเลิกฉันโดยปกติแล้วอาหารหลักของพวกเราทุกวันคือแกงเผ็ดปารา้าซึ่งทำมาจากปลารา้าปลาเล็ก ที่ถูกจับได้ในช่วงหน้าฝนจะถูกหมักไว้ในไหดินเพื่อจะเก็บไว้กินตลอดปีอาตมาเคยพบไหยอย่างนั้นครั้งหนึ่งตอนทำความสะอาดครัวของวัดมันมีหนอนคลานยัวเยะเต็มไปหมดอาตมาก็เลยจะเอามันไปทิ้งแต่ผู้ใหญ่บ้านซึ่งมีการศึกษาและมีความประณีตที่สุดในหมู่ชาวบ้านเห็นเข้าซะก่อนจึงห้ามอาตมา ไม่ให้เอาหายปลาร้าไปโยนทิน้งอาตามาขานว่าแต่มันมีหนอนอยู่ในนั้นนะเขาตอบอาตามาว่าก็ยิ่งอร่อยนะสิแล้วก็ดึงเอาหายนั้นไปจากอาตามาวันรุ่งขึ้นพวกเราก็ได้ฉันแกงเผ็ดปลาร้า เป็นอาหารมื้อเดียวของเราในวันที่อาตมาบารรลุธรรมนั้นอาตมาแปลกใจที่เห็นแกงถึงสองหม้อที่จะมาช่วยชูวร์รสข้าวเหนียวของเราหม้อหนึ่งก็เป็นแกงเผ็ดปลาร้าเหม็นเมเช่นเคยส่วนอีกหม้อหนึ่งเป็นแกงหมูอาตมาคิดในใจอีกว่า วันนี้แหละอาตมาจะได้ฉันอาหารดีๆสักมือ้อจะหลงการบรรลุธรรมของอาตมาท่านเจ้าอาวาสตักอาหารของท่านก่อนหน้าอาตมาท่านตักแกงเผ็ดหมูที่ดูน่าอร่อยนั้นสามทพีใหญ่ๆกระ อาตมานึกตำหนิท่านในใจยังเหลืออีกเยอะสำหรับอาตมาแต่แล้วก่อนที่ท่านจะส่งหม้อต่อให้อาตมาท่านก็ยกแกงเผ็ดหมูที่ดูน่ากินจนน้ำลายไหลนี้เทลงไปรวมในหม้อแกงเผ็ดปลาราแถมท่านยังคนมันเข้าด้วยกันและพูดว่ายังไงมันก็เหมือนเหมือนกัน มาพูดอะไรไม่ออกเลยอาตมาโกรธถ้าท่านคิดจริงๆว่ายังไงมันก็เหมือนๆกันแล้วทำไมท่านจึงตักแกงเผ็ดหมูไปเสีย3สามช้อนพูนๆสำหรับตัวท่านเองก่อนเน่าก่อนที่จะผสมกันนะปากกับใจไม่ตรงกันอีก ย, ยิ่งไปกว่านั้นท่านเป็นลูกชาวบ้านที่เติบโตมากับแกงเผ็ดปลาร้าเหม็นๆแล้วท่านก็น่าจะชอบมันด้วย คนจอมปลอมไอ้หมูไอ้ขี้โกงและแล้วอาตามาก็ฉกคิดขึ้นได้ผู้ที่ปรกธรทำแล้วย่อมไม่เลือกอาหารว่าชอบนั่นไม่ชอบนี่ย่อมไม่โกรธและไม่เรียกเจ้าอาวาสของตน แม้จะเรียกในใจก็ตามว่าหมูอาตามานะ่ะเกิดอาการโกรธแน่ๆและนั่นย่อมหมายความว่าตายแล้วอาตามายังไม่ได้บรรลุธรรมจริงน่ะสิ ไฟโทสะของอาตมามอดลงทันทีด้วยความเศร้าสลดเมฆหมอกหนาทึบแห่งความท้อแท้หมดหวังเคลื่อนเข้ามาสู่ใจของอาตมาบทบังแสงอาทิตย์แห่งการบรรลุธรรม จ, จนมืดมิดด้วยความสึมเศร้าทุกขระทมอาตมาตักแกงเผ็ดหมูและปลาร้าเหม็นๆสองช้อนราดลงไปบนข้าวของอาตมา อาตมาไม่สนแล้วล่ะว่าจะกินอะไรอาตมาหมดกำลังใจจริงๆการที่ได้รู้ว่าเรายังไม่ได้บรรลุธรรมสักหน่อยนั้นทำให้อาตมาเซ็งไปทั้งวันเลยทีเดียว